ท่านสาธุชนพุทธบริสัทว์ทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุสมเร็จทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบหกพะยะว่ากันไปแล้วคืนทั้งคืนเกือบไม่ได้หลับแต่ก็ก็มาได้หลับอีงหน่อยหนึ่งตอนใกล้หกนาฬิกา เกินถึงเวลาหกนาิกาครึ่งก็ลุกออกมาเดินจงกรมหลังจากนั้นเวลาเจ็ดิกาฉันพัฒตาหารคือกินข้าวหันต้มต้องต้องกินข้าวต้มเพราะว่าลำไส้มันไม่ดีลำไส้ก็ไม่ดีกระเพาะก็ไม่ดีเสื่อมหัมบันิดคอแล้วเกิน เราฉันเข้าต้มแล้วก็ลุกก็มาทําธุรกิจคือเข้าสวมก่อนจะหยิบเครื่องบันทึกเครื่องเสียงมาบันทึกก็เข้าสวมไปสองครั้งเป็นนั้นว่ามาคืนวันที่เก้าถ่ายทั้งคืนแล้วก็มาเช้าวันที่สิบไม่ตอนกลางคืนวันที่เก้าคืนนี้แล้วมาบันทึกเสียงไปบ้างเดินเข้าสวมบ้าง <c oughs> สลับกันไปสลับกันมาตอนหกข่ําไปสอนกรรมฐานแล้วกลับมาก็เข้าส้วมเข้าส้วมสองสามครั้งแล้วก็มาบันทึกเสียงบันทึกเสียงเสร็จได้หน้าหนึ่งแล้วก็เข้าส้วมอีกก็ว่ากันไปว่ากันมาไหลเที่ยวที่พูดให้ฟังอย่างนี้นะไม่ใช่โอทแค่ดั้นดั้งท่านหลายทราบว่าร่างกายมันโรคป็นโรคณิทางมันเป็นรังของโรค ถ้าว่าท่านจะถามว่าทำไมไม่ให้หมอรักษาสำหรับผมเนี่ยหมอเยอะจริงๆแล้วหมอแต่ละหมอก็เป็นหมอที่มีความสามารถมากประจําสถานโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาหมอที่นอกจากจะพูดถึงก็ยังมีเยอะ ที่ท่านช่วยสงเคราะห์ดำเนการทั้งปวงแต่ย้พูดถึงในตอนนี้เท่าที่นึกเชื่อออกก็มีท่านพลตำรวจโทสมศักดิ์สือสิสสงห์แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้สําหรับโรงพยาบาลตํารวจได้รู้สึกว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลให้เจ้าหน้าที่มากท่านเดียกันสงเคราะห์มากแต่ก็นึกเชื่อไม่ออกเอาคนเดียวกันแล้วกั น, กน แล้วก็สำหรับคนที่ต่อไปคือาวากาศเอกพิเศษโกสลมณีจักอย่างโรงพยาบาลภูมิพลคนนี้ทำการรักษามานานเนสองท่านนี่คุ้มมานานแล้วก็มีแพทย์หญิงลำจวนของสเวชแล้วก็นายแพทย์ประสิทธิ์ฟูตะกกลคนนี้กำลังปลกปล้ำอยู่ในปัจจุบัน แล้ทั้งหมดนี่ปัจจุบันข่าไม่ได้ทิ้งนะทุกคนช่วยกันแล้วก็มีในแพทย์ชนะสิริยานนทโรงพบาลสิริราชในแพทย์เจรุนกิรยะวราพรพ์ผู้อำวยการศูนย์โลกเรื้อนเขตนครหลวงแล้วก็มีในแพทย์มนตรีอมอพรพิเชกุลพันแนกวิทยาศาสตร์ ห้าวแนวประสตร์วิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จเจริย า, า, ยา น, ยนี่ความจริงถ้าพวกคุณจะคิดว่าผมจะบ้าแล้วไม่ต้องห่วงหมอรักษาบ้าของผมมีประจําอยู่แล้วคือในแพทย์บนตรีเป็นนะว่าผมก็เบาใจว่าเออไ อ, อ, อ, อโรคกเเ็เป็นไปก็เป็นไปเถอะโรคบ้าจงอย่าเป็นเลยก็มาเจอชื่อในแพทย์ก็บอกผมก็เบาใจเหมือนจะบ้ามาบ้ายาก และก็ไปแน่เด็ผมอาจจะบ้าสำหรับคนดีทั้งหลายก็ได้ต่อมาก็มีแพทย์หญิงแสงสมปิริยะวระาพรโอยบาลศิริราช่คนนี้ชอบล้อเธอว่าใช่สีเชสีก็มีแพทย์หญิงอีกคนหนึ่งอ่านชื่อเลยไปคือพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจเฮงโรยบาลพระองกุฎ คนนี้ก็ปลุกปล่ำช่วยเหลือมานานนานมากแต่ได้ตนตนลรจะยืเวลาพอกับหมอกโกศลแล้วก็มีในแพทย์พันเอกในแพทยพ์แวลวิสเขาเขียน ไ, ไนยาวาน้อย่างนี้เปล่าในแพทย์แวลวิตโพคาโพคาวานิตในโรงยบันพระมงกุฎเวมกันแต่จะยา้ายไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบแล้ก็มีนาวาเอกดุษฎี ได้นำใชกคนอะไรวรศักดณนาวานาวาเอก ด, ดุษฎีวรศัพด์อีกคนหนึ่งแล้วกันนอกนี้ก็มีเยอะทุกท่านสงเคราะห์กันจำชื่อไม่ไ ด, บบด้บางท่านก็มาดูอาการบางทวดก็มาตรวจรักษาบางท่านก็ให้ยาต่างคนต่างสงเคราะห์เขาสงสารพระแก่ที่มีความยากจนในพยาบาลที่ใช้ปกปั่งอยู่เสมอก็คือบุญธิติกา ทำอะไรทำนพ ร, รัษหรือไอ้เดี เ, เ, เขาเรียกกันหมออิดหมออิดแห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ร, ราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ร, ราชน่ะเสียงไ ม, ม่ดีเล่นแ ย, ยเออ่เรียว่าศูนย์แม่แเด็กโควิดวัดท่าสูงุ่นนักกรเชิญมินจักสุมีรอดเดชใที่เด็กคนใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ร, ราช คือเรียกว่าศูนย์มาตรเด็กวัดท่อสูงเหมือนกันนี่ความจริงหมอมีมากถ้าถามว่าทำไมจึงป่วยก็ต้องตอบว่าหมอเองท่านก็ป่วยเป็นเหมือนกันสิ่งที่เราหนีไม่ได้คือโรคกรรมกฎคุ้งกรรมเป็นโทษมาจากคาณนาธิบาตรแต่ในชาติก่อน หรืออาจจะมีชาตินี้ระสมอยู่บ้างก็ได้มันเข้ามารุกรานเราทำเขาก่อนเขาทำทีหลังเป็นของธรรมดาก็ต้อตงยามยอมรับกฎของกรรมอย่าปฏิเสธกฎของกรรมถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ดูตัว เ, เราเองเส ก, ก่อนทบทุนด้วยอำนาจปุกเพนิวาสานุสติญาณถ้าชาตินี้ใช่ตีตังสียาน ทบทวนลงไปว่าเราไปทำอะไรไว้บ้างที่มันเร็วๆถ้าเวลามันป่วยไข้ขึ้นมาจริงๆก็ใช้ยถากมูตายานดูว่าการป่วยไข้ไม่สบายนี้เกิดจากกรรมชาติไหนเราไปทำอะไรเขาไว้ค <c oughs> อตอนชาตินี่มันแย่ยจริงๆสิมหาติคอมาก เราสร้างความชั่วไว้มากแล้วเราก็จะมาบ่นผลความชั่วให้โทษไหมไม่ถูกต้องเป็นอันว่าการใช้ ร, รมต่างๆผมสร้างความเลวของผมผมมันเลวมาแสนเลวกรรวงความว่าจอมเลวดีกว่าท้านั้นไาจอมเลวมาพบความเลวเขาตวเข้าก็มีความรู้สึก ต, ตัว สำหรับตอนนี้มาพูดกันเรื่องถึงว่าถึงปฏิปทาของพระอนาคามี <c oughs> สุ่มเสียงบางสัพ์บางมันไม่ใช้กับโดดทราบว่าเส้นลิ้นมันยังไม่ดียังป่วยมากก็ไม่เป็นไร <c oughs> เป็นอันว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของพระอนาคามี แต่ก่อนจะปราลบปฏิบทาของพระอนาคามีเราจะศึกษาในปฏิบทาของท่านขอทุกท่านจงอย่าลืมโยนกิเลสทิท้งไปซะก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้สองตอนว่าเป็นปฏิบัติของอกเจโลกหนึ่งแล้วก็เป็นปฏิบัติธรรมของคนที่ปฏิบัติดีแต่ใช้กําลังใจผิดหนึ่ง สองตอนเบื้องต้นทิ้งไปเลยจากใจ <c oughs> อย่าให้มันเหลืออย่าสงสัยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะดีนอกจากนั้นหลังจากนั้นแล้วก็มาเก็บสเก็ตของพุทธศาสนาให้ทรงตัวอย่าลืมนะครับแล้วก็มาจับเอากเก็บเอาเปลือกเข้ามาใส่ไว้ในใจให้ทรงตัวเก็บกระพี้เก็บแก่นมาใส่ไว้ให้สรงตัว อาการทั้งสี่อย่างนี้ต้องทรงตลอดเวลาไม่ใช่จะมา น, นั่งทรงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากนั้นใช้ปัญญาเห็นทุกแล้วก็เอาจิตความดีเข้าไปรับยอมรับบารมีสิบประการถ้าครบคทิบประการแล้วไม่มีอะไรยากหลังจากนั้นแล้วก็มาทบทวน อารมณ์ของพระโสดาบันและอารมณ์ของพระสิกาขาคารีว่าที่เราศึกษาจริยาของท่านนี้อารมณ์ของเรามีาการคล้ายคลึงท่านบ้างหรือเปล่าแต่การปฏิบัติคือใช้อารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ใช้แบบเบาๆส บ, บายๆ ใช้เวลากระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิม๋มอยให้มันเหน่อยเห็นท้ายจะเครียดคนเลิกเวลาทำการทำงานเราก็คิดของเราได้เรื่องของความตายก็คิดว่าคนทุกคนที่ก็ทำงานเหมือนเราเขาตายไปเยอะแล้วเราเดินอยู่ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนเดินอยู่มากเลยคนทั้งหลายเรานั้นก็ตายไปแล้ว ความสงสัยนี้คุณพระรัตนตรัยไม่น่าจะมีกับใจเราของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีความเลวในใจ <c oughs> ท่านไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่พูดทนอารมณ์ของบุคคลอย่างสมเด็จพระทุศพลก็ดีพระสาวกทัองหลายก็ดี ท่านเข้าไปที่ไหนไม่เคยไปติว่าใครไม่ดีปฏิัทาที่ก็มีอยู่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องท่านมีกําลังใจสูงชมว่าดีไว้ก่อนเพราะยังไงๆเขาก็ยังมีศรัทธาเชื่อคนแรกที่สอนเขาคนที่มีศรัทธานี้ต้องชมว่าดีเพราะเขามีความดีจริงๆหลังจากนั้น เมื่อเขามีความพอใจก็ค่อยๆเอาของเราประสมผสานกับของเก่ายกย่องของเก่าว่าดีแล้วก็เอาขอ ง, ของเราประสมผสานเข้าไปเขาก็ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นการทำลางทำลายทำลายใจก็ให้สะเทือนอย่างที่ชาวบ้านเขาดียมไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้เทวดา ขนาดใดที่เขายังไหวอยู่ตรงที่ว่าเขาเป็นคนดีไม่ควรจะทำลายศรัทธาของเขาแต่ถ้าเรามีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทาต่อไปอีกว่าถ้าทำอย่างนี้ดีแล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไปอีกจะดีมากขึ้นกำลังใจเขาก็จะสูงขึ้นดูตัวอย่างสมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบฉดิน เชดินบูชาไฟพระพุทธเจ้าก็ทรงชมบาดีมีประโยชน์ด้านหลังจากนั้นสมเด็จพระพเจ้าก็ทรงโปรดให้บูชาและละไฟสามกองภายในเมื่อชมของเก่าของเขาว่าดีเขาก็ชื่นใจครับของใหม่เข้าไปปฏิบัติต่อไปทุกท่านก็ปรากฏว่ามรุ่ถอาราตถผลทั้งหมดอย่างที่พระพุทธเจ้าเข้าไปพบสุภมาณุก สุภมาณกเชื่อในมีศรัทธาความเชื่อในวิดาที่ท่านสอนให้ไหวทิศท่านก็ไหวโดวยการกายภายนอกแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบเข้าเห็นเข้าก็ชมบาดีแล้วสมเด็จพระจินทร์ีก็แนะนำว่าถ้าไหวทิศภายในได้อีกจะดีมากเขาชื่นใจในองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาาเจ้าก็ทรงรับทิศภายในพบูชา นี่คนดีเขาทำกันอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าท่านดีท่านทำอย่างนี้ถ้าเราเป็นสา ว, วกองค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าจงลอกดี พ, พุทธเจ้ามาปฏิบัติเห็นเธอจะมีความดีไม่ใกล้อ ง, ง, งค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคก็พยายามเรียนแบบเขาไว้ <c oughs> ยังไงยังไงจะไปขัดใจคนเขาไหวเทวดายอมรับทับถือว่าเทวดาดี พระพุทเจ้าเองก็ยอมรับนับถือทั้งเรื่องเทวดาในเรื่องเท่าส ก, กัดทรงยืนยันกับท้าหมหาลีว่าเรารู้จักเท่าส ก, กัดดีและรู้จักปฏิปทาการกระทําบุคคลที้เป็นเท่าส ก, กัดด้วยคือท่านปฏิบัติยังไงท่านจึงได้เป็นพระ อ, อินทร์เอาอย่างนี้นะจะไปขัดคอชาวบ้านทรงทราบว่าถ้าขัดคอเขาเมื่อไรเราก็เลวว่านั้น เร็วจริงหรือไม่จริงเราก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเร็วถ้าเราเป็นคนดีต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจินทร์สีคือพระพุทธเจ้ารวมความว่าปฏิปทาต่างๆางต้องไม่ลืมทบทวนไว้เสมอเมื่อเป็นพระสิธาคามีละเอียดแล้วเปรนาคามีไม่หนักเรอการ่าวมาฉันแท้ก็ดีความโกรธความย่บายก็ดี มันก็เกือบจะสลายตัวมั่รตั้สักยิธาคารมีละเอียดพอเข้าอนาคามีมักกระลงทางผงจับเซกายะทิฐิขอโทษกับจับกายยกตานุสติพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ผมลงไปถึงปลายเท้าดูว่าส่วนไหนของร่างกายมันสะอาดบ้าง ถ้าคนที่มีปัญญาเพียงแค่ปีกลิ้นเขาก็ยังทราบว่าร่างกายทุกส่วนของเราสุกภโรกทั้งหมดข้างนอกก็สุปกปโรกถ้าไปดูข้างในยังสุกภโรกมากใหญ่ <c oughs> มีทั้งอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายที่อยู่ในปาก ยาปกติอมได้คกลืนได้แต่ว่าถ้าพบุนมันแล้วไซเราลังกีดน้ำลายแค่นี้เห็นได้อย่างว่าร่างกายภายในมันสุขปรกขนาดไหนเท่านี้เห็นได้อย่างแล้วก็จงจำไว้ทด้ว่านอกจากมันญาสุขบโรคสภาพก็มันก็มีการสุดโซมเป็นปกติ การทรงตัวของมันไม่มีมันเดินเข้าไปหาความแก่ทุกวันเพิ่มความแก่ขึ้นมาทุกวันและก็เดินเข้าไปใกล้ความตายทุกวันมันร่างกายมาสแสวงหาความทุกข์คือการสุดโทมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่มีการไม่คล่องตัวมันเดินเข้าไปหาทุกเวลานาที เห็นได้อย่างว่าร่างกายของเราดีและไม่ดีร่างกายของเรามีสภาพเป็นยังไงร่างกายเขาคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดมันก็ตายตายแล้วสวยไหมก็ว่าต้องยกตัวอย่างเพราะเวลาน้อยถ้าจิตใจถึงขนาดนี้เลามันเรื่องเล็กๆแล้วสิ่งที่พูดนี่ไม่มีอะไรแก้มากมาจับสุดนิดเดียวก็ไปได้หมด เพราะความสำคัญหนักตีมาตั้งแต่พระสิกขาคามีจริยาพระสิกขาคามีนะแต่จงอย่าลืมว่าจงอย่าคิดว่าเป็นพระอารียเจ้าเป็นหรือไม่เป็นถ้าพระพุทธเจ้าทรงมารับรองเมื่อไรจึงมีความมั่นมั่นใจว่าเราเป็นเป็นพระอารีย์เจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มารับรอง จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้าถ้าใครบอกว่าพระพุทธเจ้ามารับรองแล้วก็สวยนะระวังอุปาทานอย่าไปคิดแต่อยมีภาพอันใดปรากฏขึ้นกับใจสแสดงนั้นว่าภาพนั้นพระเป็นพร ะ, เ ป, พระเป็นพระพุทธเจ้าเลิกกล่าวคํารับรองว่าเวลานี้เธอเป็นเป็นพระอริยคันนัคันนี้นนน <c oughs> เราก็รับฟัง รับฟังแต่เราไม่รับจำเราจะจำอย่างเดียวคือความไม่ประมาทคิดไว้เสมอว่าถ้ายังไม่ตายเราจะรวบรัดตัดความชั่วส่งความดีให้มากที่สุดที่เราจะพึงมากได้ถ้าตายแล้วไปถึงนิพพานเมื่อไหร่นั้นมั่นใจได้ว่าเราเป็นพระเดิเจ้าเบื้องสูง ว่าตายแล้วไปไปเทวดาหรือผมเมื่อไรนะั้นเราจะทราบได้เราเป็นพระอธิยัขนาดไหนเป็นหรือไม่เป็นก็ตามใจอย่าสนใจใจจะบรรทุกดีไม่ดีอารมณ์จะเผลอการตัดได้รมอย่างนี้การมฉันทะจะขาดไปจากใจอารมณ์ตเมื่อการมฉันทะขาดไปจากใจมีความรู้สึกในร่างกายของเพศตรงข้ามไปอย่างไง หรือว่าวัตถุที่สวยสุดนดงามเป็นยังไงร่างกายของคนแลสัตว์ร่างกายของเราร่างกายของเขาเห็นแล้วมันจะอาจเจียนนะทิถ้ายิ่งแต่งตัวไปพิเศษสวยสดนดงามมากทรายจะาจเจียนเร็วเข้ามาเท่านั้นมันจะมีความรู้สึกกระทบใจทันทีวบบสุขปรกเรือเกิน แต่คนใดก็แต่งกายเรียบเรียบปกติธรรมดาใจเขาเฉยเฉยวงความว่าใจมีมีนิพพิทายายคือความเบื่อนหน่ายเครียดช่างร่างกายมากแต่พร้อมกันเปนั้นก็มีร่างกายเฉยว่าช่างมันร่างกายมันสกปรกช่างมันมัไ ม, ไม่ไม่ใช่จิตใจเราพวงจิตใจได้ทิศมานกายอย่างเดียว อาทิย์สมาลัยกายคือเราจริงๆเราไม่ได้สกป ร, รกบ้านสกป ร, รกช่างเพราะมันจําต้องสกป ร, รกแต่ากายของเราจงอย่าสกป ร, รกตามบ้าน <c oughs> ข้อนี้ฉันใด้ร่างกายที่ไ ป, ไประกอบได้วยการดั้งที่สองสกป ร, รกช่างมันแต่ว่าอาทิตสมาลัยกายที่จิตใจจงอย่าสกป ร, รกทําใจสะอาด <c oughs> จากสกายทิฏฐิเบื้องต้นคือความตายมาสกายยะทิฏฐิจตนตอนกลางคือร่างกายสุกบลกนี่เรื่องของอนนาคามีแล้วต่อไปก็จะกําจัดไฟกองหนึ่งคือปฏิฆะําหรื่องอนนาคามีนี่ไม่ถึงโกรธไม่ถึงพยาบาทอารมณ์อ่อนมากแต่ว่ามีอารมณ์ส่วนหนึ่งที่ไม่ไม่ชอบใจมีอยู่ ใครทำอะไรไม่ชอบใจกระทบใจนิดรู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็ตกไปอารมณ์นี้ถึงแม้ว่าจะน้อยก็อย่าเก็บไว้ <c oughs> ขึ้นชอวายาพิษถึงแม้ว่ามีปริมาณน้อยก็สามารถทำร้ายอวัยวะภายในให้เสื่อมโสมได้ชั้นใหญํกำลังใจที่เป็นกีเลสไม่แต่นิดหนึ่งคือแค่ปฏิฆะกระทบใจนิดหนึ่งแล้วก็ตกไป ก็สามารถจะทันกำลังใจของเราเสียผมเสียจากความดีได้เน้นฉะนั้นต้องทำลายประเดคะ้องด้วยพรหมิหารสี่ความจริงขั้นพระอนาคามีนีพศึกษาตอนนี้ไม่ต้องใช้กระสินสีประการก็ได้ใช่ใช้แค่พรหมิหารสี่ก็พอเพราะเมรุเล็กน้อยพิจารณาด้วยปัญญาตามความเป็นจริง ใช้เมตตาความรักกับกำลางความสงสารให้มากคนที่สร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นก็เป็นคนสแสวงหาศัตรูคนที่สแสวงหาศัตรูคือคนสแสวงหาทุกข์ในเมื่อเขามีศัตรูเขาก็มีทุกข์ถ้าก็มีความเดือดร้อนอยากเข็งขึ้นมาบันได คนที่เป็นศัตรูกับเขาไม่มีใครช่วยเหลือเขามีความสุขหรือให้เขาเตื่องจากความทุกข์มาหาความสุขในบ้างไม่มีใครช่วยเพราะคนเลวคนประเภทนี้น่าสงสารชาตินี้เขามีทุกชาติหน้าต่อไปเขาก็ยิ่งมีทุกข์ใหญ่เพราะยิ่งไปทำอะไรกระทบกระเทือนพระอริยเจ้าเข้าจะเป็นหนักมากขึ้น นี่กำลังใจถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้ว อ, อยากคิดในดีว่าคนที่สร้างความโกรธแบบก่บุคุอื่นก็คือคนบ้านคนดีนะเขาไม่ทำเพราะคนดีเขาพยายาม ส, าสร้างมิตรสร้างความเป็นมิตรกับทุกคนไว้เพื่อความเป็นสุขคนพยายามตั้งตัวเป็นศัตรูคนอื่นก็คอคือคนบ้านเองถ้าไม่บ้าเขาก็ไม่ทำอย่างนั้น นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านความจริงเขาเป็นอย่างนี้ไม่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะโกรธเขาทําไมถ้าเขาสร้างอารมณ์ให้เราโกรธเราเขาเป็นคนบ้าถ้าเราโกรธเขาเข้าเราก็บ้ามากกว่าเขาทั้นี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาธรรมพระเจ้าทรงเป็นตัวอย่าง อย่างที่พราหมณ์ไปเทศพระองค์เวลากําลังเทศสอนพุทธบริษัทิพระพุทธเจ้าเทศเรื่องธรรมะแต่ว่าพราหมณเขาเทศเรื่องธรรมโมมีนั่นคือเข้าไปถึงก็ไปด่าพระพุทธเจ้าด่าเอาด่าเอามาหยุดยั้งไม่ยับยั้งตามบาลีกล่าวว่า ด, ด่าเหมือนพระเสกมังกรด่ากัน พว้ท้าสมารมกรด่ากันเ้าด่าแบบไหนก็จำไว้ก็แล้วกันถ้าจำไม่ได้ก็ไปยุ่ไปย่วยคนที่เขารับใช้คนอื่นลูกเป็ น, น, นกกลูกจ้างคนอื่นโกรธแล้ ว, ว, วเขาก็ด่าจะได้ทราบว่าท้าสกรรมกรคด่าแบบไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สรงนิ่งเนี่ยก็ด่าไปด่ามาเขาเหนื่อย ก็ว่าชีนหน้าบรกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วสมเด็จพัตรทิพย์แก้าก็ทรงมีจิริยาปกติทรงตัถามว่าพราหมณตถาคตน่ะแพ้เธอตอนไหนเขาก็บอกว่าก็ข้าด่าแกนี่แกไม่ด่าตอบก็แสดงว่าแก่แพ้ข้าสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าพราหมณ์ ตาถาคตจะมีความรู้สึกว่าถ้าคนใ ด, ด, ดโกรธตาถาคตมาแล้วถ้าตาถาคตโกรธตอบตาถาคตนั้นเร็วกว่าคนนั้นนะเท่านี้พรามเป็นคนดีอยู่มากนั่งยองขอก็มาโทษแล้วก็ขอบวชนี่ละบันดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนพิสูจนสมณีทั้งหลาย ถ้าเขาใครเขาทำให้เราโกรธจ้งทราบว่าเขาบ้าบ้ากันแล้วความบ้าของเขาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาแล้วมรนดาพวกคุณทั้งหลายเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าคนที่เขากล่งแกล้งพวกเรามีสมัยหนึ่งการเจรียพระธรรมฐานกกแกล้งส่งเสียงลบกล ใช้กระเจิดเสียงบ้างใช้ความเมาบ้างใช้การล่องลำทำเพลงบ้างแล้วทรัพย์สมบัติของวัด ร, รวบรวมกันขายกินเวลานี้สภาพของบุคคลพวกนั้นเป็นยังไงนั่นเขาบ้าไปตามสภาพของเขาขายกระทั้งกุฏิวัดทรัพย์สมบัตใิใหญ่ๆเขาขายกินกัน แต่คนพวกนั้นมีสภาพสาบสูญไปนานแล้วในที่สุดพวกเขาก็ตายตายทั้งๆ ท, ที่ความบ้า ย, ยัางทรงตัวอยู่และเมื่อรักษาบ้า ย, ยังไม่หายร่างกายมันตายแต่จิตใจยังความเปนบ้ามันไม่ตายเวลานำมาจิตใจไปก็นำมาจิตใจที่เป็นบ้าไปด้วยฉะนั้นไอ้ที่ดีๆเนี่ยเขาไม่รับคนบ้า ที่เก็บคนบ้าก็คือมีแดนของนรกเก็บบ้าใหญ่บ้ารองโนมาก็แดนเปรดบ้ารองโนมาก็แดนนสุรกายบ้ารองโกมาก็แดนสัตว์ฉั <c oughs> ฉะนั้นคนบ้าทั้งหลายเขาจะไปอยู่แถวนั้นแล้วก็มันดาพวกท่านถ้าเราไปโกรธเขาแล้วบ้ามากกว่าเขา เราอยากจะไปโดูโดยแดนนสิบระการนี่ไหมท่านไม่อยากไปทำกำลังใจให้ส่งตัวแต่ความจริงเรื่องปฏิบัติทางพระนาคามีนี่มีอารมณ์ไม่หนักทำไปจนหัางใจวางเฉยส่งอารมณ์ปกติไม่ต้องฝืนใจเห็นคนสวยเฉยเห็นวัตถุสวยเฉยเห็นสัตว์สวยเฉย เขาก็ด่าว่ า, รากระทั่งใจสบายปกติเท่านี้เราถือว่าอารมณ์ใจของเราคล้ายคลึงพระนาคามีเรายังไม่เป็นพระนาคามีก็ไม่เป็นไรยังไงงอยู่ใกล้เงาพระนาคามีก็พอสมควรดีใจมากแล้วอาราบนาสาวกขอองสมเด็จพระบัีแก้วเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี